หลังจากนั้นเราเป็นห่วงคิด ท่านอาจารย์เฒ่าตามปกติท่านไม่ค่อยเทศนาคือเดิมมีท่านอาจารย์ทุ่มอยู่ นี้เราประเทศที่ฝรั่งเศสได้ขอรัตนาให้ท่านถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกที ต้องรีบให้ข้ามไปตามช่างภาพมา ท่านถวายรูปไว้เป็นที่ระลึกเป็นเรื่อง ออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์เสาได้เที่ยวไปฝากซึ่งวิเวกครั้งแรกท่านได้มาอยู่กับท่านอาจารย์มันเป็นถ้ําใหญ่มีหลาย ถามเข้าไปเป็นเขาวงกตมีภูเขาสลับซับ สิ่งทะลุออกฝากโนนท่านดูปากถ้ำดีมีพระเนน 2 ถึง 3 แกสงสัยรุ่งเช้าเดินไปดูที่ มันจะเข้าไปในธรรมจะเข้าไปในถ้ําผู้เห็นคนพระไปตักสะอาดไม่มีตัวสัตว์พระ ไม่มีอึดอัดใจห่างไกลจากหมู่ 1 กิโลเมตรเราอยู่ด้วยท่าน 2 คืน 2472 ตวนเข้าบรรสาท่านอาจารย์เสาได้ให้เราประเทศที่ฝรั่งเศสไปจำ อนาคตภัยทั้งส่วนตัวและพุทธศาสนาว่าบรรพชาชีพของเราจะอยู่ตลอดไปหรือไม่หนอบางทีบ้านเมืองคือจลาจลประเทศชาติถูกข้าศึกรุก เมื่อเป็นเวลานี้นั้นเราจะทําอย่างไรประหนึ่งเวลานี้ คิดไปคิดไปก็ทําให้ใจเศร้าสลดสังเวชทั้ง เมื่อมีโอกาสฉันนี้เราจะต้องรีบเร่ง มันทําไม่ได้กล้าประรุปความผิดอย่างเด็ดเดี่ยวเรานั่ง และพอดีในปีนั้นเดินทางไปเพื่อนมัสการท่านทั้งสอง พรรษา 8 กรรมสาทีบ้านพระครือกับพระมหาปิ่นตรง 2473 เราประเทศที่ฝรั่งเศสได้พาชาวบ้าน ท่านอาจารย์มหาปิ่นจึงได้มาร่วมจำปาสาด้วยพระผู้ใหญ่มีพระอาจารย์ นับว่าได้ผลเป็นที่น่าพอๆนานาจนลืมบ้านลืมลูกเมียด้วยการ อำเภอกันทรวิชัยคู่พระจังหวัดมหาสารคามเขาได้นิมนต์ให้บิณฑบาต การกลับมาบ้านโจดหนองบัวบานครั้งหลัง คนที่ภาวนาไม่เป็นเพียงแต่บูดกับเพื่อนไปก็มีวันหนึ่งพระภิกษุ ให้ไม่กี่คนนั้นรู้ตัวแกได้พูดว่า 2474 พรรษานี้ท่านเกตพี่ชายของเราก็ แก่เป็นหมอผีมีลูกน้องสิบกว่า คงแก่ก็ดีเวลาผีเข้าส่งแล้วนําไปเอาทรัพย์ในดินและกระโดด คนก็มากินศีเองผีก็ไม่ต้องรับบาปคนเป็นผู้รับผีจะมาช่วยอะไรเราได้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วไม่ได้ไปเกิดเป็นผีนิพพานแล้วทิ้งคําสั่งสอนไว้สอนคนให้ละความชั่วบําเพ็ญแต่ความดีทั้งเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นและพระสงฆ์นําคําสอนนั้นมาสอนพวกเรา เราจึงได้รู้จักบาปบุญคุณโทษมาจน ปรากฏว่าแกเห็นเด็ก 2 คนผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งมาโหนชิงช้าอยู่ที่เฝ้ามือจับกระดิ่งต่ํา สามีคงแก่ก็เป็นหมอวิชาเหมือนกันถือตามครูสอนจริงๆเหนียวทดลองได้เลยฟันแทงตีไม่เข้า ถือไปหาอาจารย์ได้ของดีอะไรมา พ.ศ. 2510 จำเมื่อสาธิโคราตรงกับปีพุทธศักราช 2475 จังหวัดนครราชสีมาพระกรรมฐานคณะลูกศิษย์ของ สมัยดำรงสัมมนาศากเป็นพระธรรมปาโมกได้นิมนต์ท่านอาจารย์สิงห์พระมหาปิ่นลงเราพระเทศ สวนของซึ่งเวลานั้นฌานพอท่านกลับมาถึงแล้วจัดเสนาสนะชั่วคราวขึ้น พรรษานั้นมีพระผู้ใหญ่ด้วยกันหลายองค์คือเราอาจารย์เราและอาจารย์ฟั่นได้รับภาระช่วยท่านอาจารย์มหาปิ่นรับแขกได้ขึ้น 2 วัด ได้เป็นปีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยโดยการ ทางที่พักส่งขึ้นณดอนตีคลีแต่ยัง ในขณะที่เราประเทศเทพรังสิได้พำภูพรจากเสนาสนะอยู่ที่วัดป่าสารวรรณนั้นอากาศสติที่สงบตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน เรเราพยายามแก้ด้วยตนเองและให้ผู้อื่นช่วยแก้เป็นเวลานานก็ไม่เป็น แล้วรีบตั้งสติให้แข็งแกร่งปรารภอารมณ์ที่หยาบๆ เมื่อมีอารมณ์มากระทบเข้าจิตของเราก็ยังหวั่นไหวได้ผู้ปฏิบัติบางคนแม้แต่ความสงบสุขของจิตก็ผลนิพพาน อันสุดยอดในพุทธศาสนานี้วันหนึ่งจะ คือห้องใหญ่เข้าสว่างอยู่คนเดียวและมีความรู้ชัดเจนจนสว่างจ้าอยู่ณ เราทําได้ขนาดนี้แล้วจะมีอะไรและ ก็เมื่อจิตมันวางรูปอย่างเหลือแต่นามแล้วจะกลับมายึดเอารูปอีกมันจะไม่เป็นของอย่าไปหรือๆอะไรๆก็กําหนด ซิ่งอื่นใดๆอื่นใดๆมันก็บริสุทธิ์ไปหมดเมื่อเราสอดแทรกขึ้นด้วยความสงสัยเท่านั้น ซับพักใจสิ่งของท่านเบาลงเราประเทศเทพรังสิก็ยังยืนกรานกระผม เคารพนับถือครูบาอาจารย์ด้วยความบริสุทธิ์ๆว่าอาการของจิตอย่างนี้เพิ่งได้ประสบเป็น โปรดรีบมีมันหาจะเป็นไปเต็มที่เลยครับตามปกติท่านปลอบ อย่าให้ช่วยกันเผยแผ่พระศาสนาในจังหวัดนี้แต่พวกเรายากปลีกตัวหาวิเวกมานานแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2511 จำสาสีวัดหนองคายตรง 2476 ในพรรษานี้เราประเทศที่ฝรั่งเศส ที่ชัยอยู่ณวัดป่าสละวันโกราชแล้วก็ยึดเหนี่ยวอท่านอาจารย์มั่นมาเป็นว่าผมจะไปตามท่านอาจารย์มั่น เป็นต้นว่าการเดินทางต้นว่าการเดินอาหารที่อยู่อาศัยแม้ 2 เมื่อคิดถึง 3 ต้องเป็นผู้ยอมสลาตายในที่ทุกสถานไม่ว่าจะเพราะกรณีใดผู้ จะทำตามกติกาทั้ง 3 ข้อนี้ได้จึงไป พวกเราได้ลงเรือยนต์จากนครเวียงจันทน์ทวนกระแสน้ําขึ้นข้างริมแม่น้ําโขงเราชมวิวธรรมชาติอากาศยืกเย็นทําให้เราวิเวกวังเวงมีความสุขมากประกอบ ยังคงเหลือแต่กัปตันและลูกเรือไม่กี่คนภาพถิวทัศน์อันปราด เรเราอนุสรณ์ถึงภาพอันนั้นแลม พอดีเป็นวันที่อัครมเหสีท่านทรงฉลองท่านพระบารมีด้วยนองแล้วเราโคราท่านสุมภานไปพักวัด ซึ่งอยู่บนภูเขาคนละฝั่งแม่น้ําคงตรงกัน 4 คืนจึงได้ลงเรือขึ้นไปอำเภอเชียงแสนรายละ 4, น น, น น. แน4 5 คืนจึงได้ ได้ปากทางจะเข้าเขาที่ศูนย์ของแขกพระมาตาภาปากทางจะเข้าเขาเวลา ดื่มอยู่ไม่ถึง 10 35 กิโลเมตรต่อจากนั้นขึ้นเชียงใหม่เมื่อ สืบถามดูเรื่องราวเรา<อ> ประเทศเทพรังสีขออภัยท่านผู้ฟังทั้งหลายสักเล็กน้อยในการที่จะเล่าเรื่องที่ ซึ่งไม่เคยมีมาแต่การก่อนเลยไม่เคยมีมาแต่การก่อนเลยเห็นดูอยู่นั่นเองมีผู้หญิงคน เพราะเราเพิ่งมาไม่รู้จัก <ๆ. S 1> เราจึงมาจิตตนาการถึงเรื่องของมาตุคามอย่างกว้างขวางซึ่งกิริยาในทํานองนี้ความมาตุคามระดมพวกเห็นมามาก ซึ่งเราก็นับถือเขาว่าเป็นผู้มีจิตศรัทธา ดูวิธีภาวนาแต่ก็ไม่ได้ผลเราใช้วิธีพูดคู่ เราได้เรียกหยางของเขามากระชากแขนลงไปเขาโกรธใหญ่ตนชามากําลังเดินจกรมอยู่ก็เดินตรงมาหาเราแล้ว หมอตรวจดูแล้วก็บอกว่าไม่มี ได้มาสารภาพรับผิดโดยคิดว่าต่างๆด้วยความ ไม่เห็นแก่ความลําบากเราก็ถนได้ตนกลางคืนบางทีรับรุม ความนึกคิดอันงูๆของเรานี้ไม่มีต่อสตรีเพศ แต่พูดที่โผหนามไม่เป็นนั่นสิมาทําเหตุกรรมสร้างกิเลสให้หนักขึ้นวันหนึ่งรามมิทุระต้อง มีแต่ยิ้มๆอย่างเดียวเราเพื่อให้ลืมอารมณ์เดิมเสียหลายวันพวกกลับมาเห็นอาการอย่างนั้นเรา หลังจากนั้นนั้นเราได้เราได้ผ่านมามากศีลธรรมแก่พุทธศาสนิกชนด้วยความ เราประเทศที่ฝรั่งเศสจะได้กล่าวถึงเหตุการณ์อันน่าหวาดๆปกติกลางคืนเวลาว่างบางทีเรา แล้วเราก็เริ่มคุยสนทนากันในเรื่องต่างๆตามประสาแกมักถามเสมอว่าเราอยากศึกใหม่เราคุณใจซื้อแล้วก็ขี้อายจะ แต่ไม่ได้แต่งงานกันไม่ได้แต่งงานกันสามีคนปัจจุบันแต่งไม่ทราบว่าจะแตกราวกันเมื่อไหร่เราก็นั่งฟังเฉยๆโดยถือว่าคน ที่กิริยาของแก่มีกระเถิบก็มากหลายทุกทีแสงใต้หลีจวน ก็เป็นอันหนักมากทีเดียวดูสีหน้าแล้วเกือบจะไม่มีสติเอา ให้เรานอนพักที่บ้านด้วยเช้าจึงกลับเรายิ่งงงใหญ่ จึงเป็นเป็นนั้นว่านอนไม่หลับจนสว่างเป็น เท่ากับเทศนาให้เราฟังแท้ๆโอ้เล่ห์เหลี่ยมของหญิงทั้งหลายผู้ยังหลงมัวเมาอยู่ในกามโลกีย์โลกนี้เป็นอย่างนี้แลหนอเราจึงขอขอบพระคุณเขา เธอยอมเป็นคนๆด้วยอันหนึ่งถ้าเราไม่โง่เช่นนั้นก็ดีหรือบุญกุศล เมื่อเราประเทศที่ฝรั่งเศสได้นุศรถึงเหตุการณ์ที่ได้เม 20 ปี เป็นเพราะมานาของเราก็เป็นผู้หญิงอันตรายแก่พระภรหมจรรย์เพราะมานา เป็นมหาอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาคนหนึ่งแต่ถึงกระนั้นเมื่อเช่นในปัจฉิมโอวาทครา หายที่มีการได้เห็นได้ยินก็อย่า ความมาปรารธบุลิตเพศที่มีในตรงกันข้ามอันเป็นอิทธารมจนให้หินโทษและเบือหน่ายเหมือนกันดังเรื่องของนางอุบรณวันนาเทวรีพิศูนิกลาวตอนดึงใจฝ่าวาเราหินโทษในก่ามทั้งหลายเมื่อก่ามข้าเป็นกลุ่มรุ่มอยู่ในหัวใจของคนแล้วย่มทำให้มืดบอดแม้บิดา เป็นอันสรุปได้ว่าไผ่อันตรายที่ร้ายกาจฉะนั้นใคร ก็ตําริมเป็นพลเทศตรงคามกันอยู่ดีๆนี่เองแต่ผู้ใจพลจากกามทั้งหลายต้องยกเพราะความใคร่ความกําหนัดเป็นนามธรรมซึ่งมีอยู่แล้วในจิตของ แล้วก็จุดเอาเป็นอารมณ์ประรูปเวทสีสันฐานกริยามารยาทและฉะนั้น เหตุที่ตรงกันคำก็ดีพุทธบัญญัติหรือการ มนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาในกรรมภพนี้ทุก ในยุทธวิธีของสมณะกับของคฤาชที่มีผิดแผก เพื่อรักษาซึ่งพรหมจรรย์อันจะสืบศาสนาภิกษุ ผู้ล่วงละเมิดในพระวินัยที่น่าเกลียดที่ๆที่เรียกว่ากามโลคินีนับประสาอะไรเตสภรรนะ เราพระเทศน์ได้นําท่านผู้ฟังเข้าบุกป่า ลง 2476 เราพระเทศที่ฝรั่งเศสและท่านออนสีพากัน 2-3 คืนแล้วก็ลาสมภาร เมื่อเห็นความสงสัยพวกเราจึงตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศเข้าเขตพม่าไปทางเมืองหางเมืองตวนมองใหม่รางเครือขึ้นไปถึงหาหังหง หนาวอะไรถึงขนาดเดือนมีนาเมษาแท้ ศรีจันโทจันทร์นับถือท่านอาจารย์มั่นมากเมื่อท่านเห็นแล้วพร้อมทั้งขณะ ท่านโกหลาเข้าป่าหายไปโพธิดิคของท่านเจ้า เป็นการแสวงหาท่านอาจารย์มั่นเป็นในตัวอยู่ในเขตเมืองไทยของเราถึงจะเช่นคำพูดและขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมวินัยพุทธบัญญัติเหลือก็มีมันลำบากใจแก่เราผู้เป็น ล้มมาลื่นก้อนหินหกล้มหัวเขาแตก ไม่ขี้ขโมยขี้โกงแม้เป็นเกษตรกรเขาก็ไม่เลี้ยงเพราะเขาไม่ฆ่าสัตว์ เขตซูบ้านเขากลางคืนวันนั้นมีเสียง ถึงมันถึงยอดเขาขาลุงมาชันมากถึงปีนเขามืดพอดีเดินมากลางทางได้ยิน คืนนั้นนั้นเราประเทศกลัวเสือจนนอนไม่หลับตลอดคืนน้ำค้างก็แรง ออกเดินทางต่อไปขณะเดินทางเราได้ เพื่อพักเอากำลังหายเหนื่อยแล้วจึงออก ออกเดินทางจากถ้ําตับเต่ามีอีเก่งวิ่งผ่านหน้าพวกเราออก คนฝูงฝ่าอยู่เห็นพวกเราก็ พวกเราเดินตามลมทานไปไม่มีทางพอเหนื่อยเพลียชวนเพื่อนกลับทางเก่าเพื่อนก็ไม่ยอมในใจเรานึกว่า พอเดินไปถึงยอดห้วยมันเป็นหน้าผาเสียฉิบไปถึงรอย พอถึงยอดเขาราว 1:00 ได น. ได้เห็นทางเดินบุกไป แทบหัวใจหยุดเต้นพอตั้งสติเอ๊ะนี่เสียงฝั่งแน่แล้วมองไปที่ เมื่อพิจารณาดูที่ทับนอนของเขาที่อยู่ตามทางที่ผ่าน และเงือมิฉะนั้นแล้วตัวพอสว่างมาตาต้องเอาผ้าพันไวมิ จึงเดินตรงลัดป่าลัดโคกตามกำหนดบ่ายไหวแหมเท้าเจ็บเราเดินฝ่าๆเดินไปกว่า คือริม